ปาติเทศนิยสิกขาบทที่4ภิกษุณีออกปาขอน้ำอ้อยงบมาฉันต้องอาบัตสองอย่างคือ 1. รับประเคนด้วยตั้งใจว่าจะฉันต้องอาบัตทุกกฎ 2. ฉันต้องอาบัตปาติเทศนิยทุกๆคำกลืน